โอ้ข่าวนี่รู้สึกว่นหนาวยาวยืดยาวลูกหลานเลยแต่ก่อนเราถามาว่ามันไม่หนาวนะแต่วันนี้วันนี้เราถามว่าวันไหนมันจะหยุดหนาวนถะูกไวันไหนหนอจะหยุดหนาวนะหนาวเหลือเกินนะหนาวมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่้มทั้งวันวันนั้นแล้วก็มีลมโชยแบบ ลมมันพัดจากน้ำแข็งที่ไหนมาก็ไม่รู้นะลมเย็นมากว่ะนะที่ยี่สิบสี่เออแปลกปะพอยี่บห้าฝนตกยี 26, ่สิบหกฝนตกยี่สิบเจ็ดเมื่อวานกับฝนตกเออมื่อคืนก็ฝนตกอีกคืนวันที่ย7ิบเจ็ดจนสว่างเมื่อเกนี่ก็ไปบินทบาทกขานั่นนะ่ะเกือบไปพอตอนเช้ามาก็ฝนตก แต่พอบินทบาทจริงๆกัฝนไม่ตกแต่ดูๆแล้วก็คงจะจืดจางไปไปมั่งแต่ว่าหนาวไหมวันนี้แต่ตามทตามให้กี่มันคงจะหนาวนั่นแหละแต่ใ น, นร่างร่างกายของเราปรับปรับตัวดีขึ้นปรับตัวสู้กับหนาวสู้กับธรรมชาตินะมันก็เลยเหมือนเหมือนจะไม่หนาวเท่าไหร่ แต่หลวงพ่อคิดวันน่าจะหนาวอยู่นะวันนี้เหมือนปกติทุกวันที่ผ่านมาเพราะมันไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะบทคืมฝนตกมีหนาวอย่างเก่านะวันนี้เป็นวันที่ย8สมกราคมพุทธศักราช2559หแล้วก็วันที่สาสิบเป็นวันครบรอบ วันมรณภาพวันจุดตินิพานขององค์หลวงตาออห้าปีพอดีนะหลวงพ่อนับนับดูแล้วนะตรงพ่อคิดว่าสี่ปีเต็มไม่ใช่พอนับดูแล้วเป็นห้าปีเต็มอันนี้เป็นจะย่างเขาปีที่หกพวกเรานับดูวยที่ว่าปีห้าสี่ปีห้าสี่ปีนี่ปีปีห้าเก้า ก็ห้าปีเต็มย่างเขาปีที่หกเราก็มีทาบุญประทายข้าวเปลือกด้วยวัดของเราก็มีข้าวเปลือกมีญาติโยมศรัทธาญาติโยมทางมุกดาหารทางนิมคมกูบาฉลาดเอามาถวายเราก็ดูๆนะเอาไปถวายร่วมสมทบคงจะมากอยู่ฟังามาหลายรถบิกอัพนะ แล้วก็แบ่งๆไปแบ่งให้พวกสัตว์ในวัดด้วยพวกไก่พวกกระรอกกระแตตามไม่จริงก็น่าจะวันๆให้พวกสัตว์ได้กินบ้างนะจากนั้นก็ไปทําบุญกับองค์หลวงตาวันบุญทาบุญประทายเข้าเปลือกกูบาทั้งหลายช่วยๆกันดูนะ้าลรถเออปิกอัพไม่พอขอรถนะหกล้อรถพอน้อยไปแล้วใครจะไป กูบาองไหนจะไปก็บอกหลวงพ่อก่อนนะคงจะเป็นวันวันพรุ่งนี้ก็ได้วันที่ยี่สบเกนะแต่หาผ้าเต็นท์ผ้าและคุมไปทำบุญร่วมประทายเข้าเปลือกกรองหลวงตานะแล้วก็ผู้ใดจะไปรถคันไหนจะไป ถ้ามีรถพร้อมแล้วก็เอาไปไม่เป็นไรถ้าขาดรถที่จะไปทาบุญวันกับองค์หลวงตาแต่หลวงพ่อเองก็ดูธาตุขันอยู่ถ้าพอไปได้ลูกพ่อก็จะไปเพราะถือว่าเป็นองค์หลวงตาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าว่าดูสุขภาพไม่ไหวแล้วก็คงจะยกธงเขาวอีกเหมือนกันนั่นแหละถ้าไปไปแล้วก็คงจะเป็นภาระ สำหรับศรัทธาญาติโยมพระเนรลูกรลานมาตัวเองไปไม่ไหวก็ยังดันเท่ลาลังไปอยู่หัวดือหัวร้านก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแต่ไปพอไปถึงแล้วมันเกิดปุับปรับขึ้นมาอันนั้นก็สุดวิสัยที่เราคาดไม่ถึงมันก็มีมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแต่ทาอย่างนั้นกับคนเออ จะไปตายในเครื่องบินจะไปตายในที่ไหนที่อื่นได้ยังไงเพราะมันคาดไม่ถึงในช่วงที่มันเป็นไปนะ ร, ร่างกายสังขารท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับน้ำค้างใบบัวถ้าลมก็โชกมาแรงหน่อยใบใบบัวดิ้นสักหน่อยนะน้ำก็กลิ้งตกนะชีวิตของพวกเราก็คล้า ย, ายนั่นแหละ มาพิจารณาดูกดันนะอย่างที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบจริงๆชีวิตของพวกเราเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ในกฎอนิจังถกขังอนัตต า, เ, าเราจะให้บังคับให้มันเป็นไปอย่างที่เราเราต้องการมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของมันเรามีแต่ประครับประคองานเองดูแลมัน มันหิวก็หาอาหารมาให้มันกินมันทานมันกระหอยก็หาน้ำดื่มมาให้มันเดิมมันปวดหัวปวดท้องมันไม่สบายก็หายาประเภทนั้ น, น, นมารักษามันสรุปแล้วก็คือประครับประคองประครับประคองจะทำยังไงได้ละ่ะ ถึงจะประครับประคองขนาดไหนก็ตึอระจุดยาเอาไว้ก็ว่ายาย า, ยาคำนี้เกิดคล้ายเหมือนกับยาเรือยาเรือยากระป๋องน้ําเมื่อกระป๋องน้ํามันมันลว ก, กยาเอาไว้คนโบราณเขาไว้ายาเรือที่มันรั่วเอาชันมาแล้วก็ใส่น้ํามันยาแล้วก็ยาเรือไมาเห็นมันรั่วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่ายาคำนี้เกิคล้ายแบบ ยาร่างกายของเราจุดไหนที่มันจะรั่วมันปวดศีรษะนะเราก็หายาแก้ปวดยาเอาไว้ปวดท้องหรือถ่ายท้องเราก็ใช้ยารักษาเพื่อมาให้มันถ่ายในร้อยคำว่ายานเขาว่าหยุดยาเอาไว้แต่จะยาเอาไว้ขนาดไหนก็เถอะแต่มันใช้ไปนานเข้านานเข้าทีเนี่ยไอ้ตัว กระป๋องก็ดีตัวเรือก็ดีมันใช้ไปหลายปีมันก็ผุพังไปไม่รู้จะยาที่ไหนทีไหนยาจุดนั่นก็นตุ่นนี่รั่วยาจุดนี่ก็จุดนั่นรั่วผัวนี่สุดมันรั่วทุกแห่งทุกขนไปทีไหอผลวนี่สุดผู้ที่อยู่ในเรือก็จะขึ้นเรือไหวไหมจะกระโดดไปไหนทีไหนอพอมันเรือเรือลำนี้มันรั่วมากแล้วมันยาไม่ไหวแล้ว มันจะต้องทิ้งเรือเลยนี่แหละตอนทิ้งเรือนั่นแหละอจุดเป็นจุดที่จําเป็นสําคัญถ้าว่าเราในขณะที่มีเรือล่องอยู่อไปทํามาค้าขายพอมีเรืออยู่ก็ทํามาค้าขายเอาเรือลํำนี้แหละไปทํามาค้าขายหาเงิน เนีพอเรือเรานี้มันรั่วมากใช้ไม่ได้ละแล้วก็ต้องทิ้งเรือพอทิ้งเรือเราก็มีเงินในกระเป๋าก็ไปหาซื้อเรือลำใหม่เองนี่แหละอันนวิเวียนไหวาตายเกิดวเวียนไหวาตายเกิดในวัฏสงสารพอได้ท่านเรามีทุนมากเราก็ใช้เรือลําใหม่ลําใหญ่สวยงามขึ้นเอง พอเรามีเงินเรือลําเก่าก็เท้งไปแต่ถ้าเราไม่มีเงินธามาค้าขายไม่ขึ้นหาเงินไม่ได้มากเราจะไปซื้อเรือลำํำสวยๆงามๆก็ไม่ได้เราก็ต้องไปหาซื้อเลือดนะพอกระต๊บกระแต๊บไปนะพอพึ่งพาอาศัยไปเผล อ, อ, อ, อๆจะมีขี่ไม้ลําเดียวลักษณะเป็นแพร อ, อ, อาศัย ไม้ไผ่ลำเดียวก็ได้เพราะเหตุไดเพราะเราไม่มีเงินไม่มีเงินจะซื้อในขณะที่เรามีเรือเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใฝ่ใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจในการสร้างบุญสร้างกุศลไม่คาว่าบุญกุศล น, นั่นแหละคือเงินถ้าว่าเราไม่มีเงินคนไม่มีเงินเราจะไปซื้อเรือได้อย่างไร ถ้าคนมีเงินเราจะซื้อเรือลำใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะเผอเผลอเข้าไปขณะที่ขี่เรือไปนั่นนะ่ะอเรือลำเล็กๆนะ่กับเป็ดทือหวยถูกหวยแจ็คพอตซะจะไห น, น อ, าอาจจะไปซื้อเรือสะพาก็ได้ซื้อเรือใหญ่ก็ได้เพราะอะไรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายในครั้งพระพุทธเจ้า เป็นทุกตะเป็นคนจนแต่ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้า พ, พระอรหันต์ที่อาจท่านออกจากนิโรธสมาบัติหรือพระประเจกพุทธเจ้าที่ท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านมาปโปรดเราก็ได้ทําบุญด้วยศรัทธาของเราด้วยความตั้งตั้งใจของเราอย่างแ น, แน่วแน่เพราะเรามีอุปนิสัยอุปนิสัยในการสร้างบุญทําบุญอยู่แล้ว การจะทําถึงจุดนั้นนะไม่ใช่ว่าคนขี้ตันีทีเนี้ยเราจะคิดทําบุญไม่ได้นะคนที่จะทําบุญอย่างง่ายเป็นเป็นการมันเป็นอุปนิสัยมาดึกดําบันเก่าแก่เห็นใครมาก็เขาเห็นตกทุกข์เราควรจะให้เขานะเห็นหมาโซผอมมาเราก็น่าจะแบ่งให้เขาหนะ่อยอย่างภาษารรบุตรเี่ไปฉันอาหารมาใหม่ๆ เห็นหมาเนี่ยมันมันหิวเน่ะมันจะกินลูกมันะภาษาเรบุตรโอไม่ได้มันจะกินลูกมาเนี่้หมาตัวเนี้ยหมาตัวมันมันหิวเนี่ยภาษาเรบุตรล้วงคอเข้าไปเอามือล้วงคอแล้ยล้วงคอตัวเองอาเจียนเอออาเจียนให้หมาได้กินให้ให้หมาตัวแม่มันได้กินอย่างน้อยก็มันก็ลูกข้ามันก็พ้นชีวิตไปวันหนึ่ง นี่แหละแค่ว่าเป็นอุปนิสัยนะคนที่ทําบุญเห็นตู้ที่ไหนเอายอดถึงจะมากรนะนัดก็ยอดหรือว่าเห็นคนแก่คนเฒ่ามาพอที่จะช่วยเหลือได้เอาช่วยไปเห็นทุกคนทุกคนยากก็ช่วยไปเห็นพวกนกหนูปูปีกพอที่จะช่วยเอาให้ไปนี่ขนาดองค์หลวงตาที่ม า, าท่านมาอยู่ที่วัดของเรานะเนี่ยท่านเห็นพวกมดแดงนะเลยเห็นพวกมัน <c oughs> มดแดงทํารังมันเป็นซ้ายไปหลวงตาได้อไก่ย่างมาเอามาดูเจมาท่านก็มาขยี้ให้มันเล็กๆเกนะ่ยแบ่งให้มันอพอมดแดงได้คาบเสนึท่านนะโอ้ลุมกันมาทีนี่ดีอกดีใจฮหลวงตาท่านก็ว้าวเหรอเห็นไหมนะ่ะมันได้อาหารนะมันก็ดีใจของมันเห็นไหม นี่แหละสรุปแล้วทื่อท่ท่านเห็นหมดกันยังท่านก็นยังสงสารในมดอในการทําทานให้อาหารมันส ง, สงเคราะห์มันสงเคราะห์กับทางมดเนี่ยท่านไม่ใช่ให้ครั้งเดียวนะท่านมาทีไรท่านก็ให้มันเนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นเป็นการวางอุปนิสัยผู้ที่จะทําบุญใหญ่เนี่ยมันต้องมีพื้นฐานซะก่อนแต่บางคนขี้ตนีนทีเหนียวเห็นใครเลย เนี่ยทไมมันเกิดมาทําไมมันเกิดมาเป็นสัตว์มันกระจนเ่ยสิก็ทุกเลยสิ เ, เกิดมาเป็นคนทําไมขี้เกียจทําไมไม่ทํางานจะจนเลยสิที่จะคิดช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เขานะ่ะเออเขาทุกจนเนาะเกิดมาชาตินี้เขาก็ไม่พึงเขาก็ไม่ปรารถนาอาอยากจะเกิดมาแต่ถึงยังไงเขาเกิดมาแล้วมันทุกคงจะเป็นบาปกรรมเขาในอดีตเนานะ เรามอพอมีอันจะกินเราก็ช่วยๆเขาแต่ไม่อยาให้ตนเองเดือดร้อนช่วยเขาไปนี่แหละอันนี้คือเป็นการวางพื้นฐานอุปนิสัยในตัวของพวกเราคือเป็นผู้เสียสละนะในเมื่อเป็นคนมีอุปนิสัยอย่างนี้แหละ น, นะพร้อมที่จะรวยได้เลยท่านพอเป็นเห็นพระประเจกพุทธเจ้าหรือเป็นพระหันตสาวกที่ท่านออกนี้รถสมาบัติมาเนะี่ เราก็พร้อมที่จะทําบุญกับท่านเหล่านั้นพอทําบุญเท่านั้นหลยท่านเนี่เป็นโชคเป็นผู้โชคดีเลยท่านเนี่ยเหมือนถูกหวยแจ็คพอตเลยท่านเนี่ยเราจะปรารถนาอะไรอปรารถนาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเปิดปรารถนาเป็นขหะบอดีขนาดไหนเอพระพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้าพระหารทสาวกท่านให้พอน่ะเอวังโหตุเอวังโหตุ ขอความปรารถนาของเธอของท่านจงสําเร็จสงความตามกลุ้มความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาเธอนะนะเ อ, อเท่านั้นแหละท่านนี่นแหละบุญกุศลมากมายมหาศาลอันนั้นเปีว่าล่องเลือขี่ทุกไปไปถูกหวยแจ็คพอตอ่านี่แหละอันนี้ใครพวกเราท่านทั้งหลายแต่นานนะจะไม่มีกี่ร้อยล้านคนจะเจออย่างนั้นขึ้นมา แต่ถึงยังไงก็เถอะมันพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในพบพระพุทธศาสนาในพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเราก็ควรจะมีการเสียสละทานะคํำนีนะ่เป็นพื้นฐานการดูด้วยการการเป็นคนดีถ้าเราไม่มีการเสียสละไม่มีการทําบุญทําทานเสเลยนะไม่ดีนะลูกหลานนะคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่างวัน ควบรอบจุตินิพพานขององค์หลวงตาเนะเราจะไปทําบุญอะไรบ้างนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เน้นนะไม่ได้เน้นเรื่องในวัดเราไม่ได้ถวายพระเจดีร่วมไปทอดผ้าป่าถวายพระเจดีเพราะเหตุใดพระหลวงพ่อก็รับภาระอยู่แล้วนะรับภาระให้แค่ว่าเราวัดของเราเนี่ยส่วนนึงที่พวกเราจะต้องรับปัจจัยที่จะสร้างเจดีของหลวงตานะ เต็มที่อยู่แล้วนะตอนจนกว่าเมื่อนั้นละ่ะเราจะได้เอาออกไปใช้ไปร่วมสมทบเพราะนั้นเราจึงไม่ได้เอาไปร่วมสมทบเป็นเรื่องราวเป็นจิตอย่างลักษณะเหมือนสมทบทองคําแต่สมทบทองคําแต่ละครั้งเนยเออเรารวบรว ม, รวมจะตวิจญาณกันร่วมสมทบเืิดซื้อทองคําเข้าคลังหลวงแต่บัดนี้ เตืยงพ่างสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาก็ย่งย่ ง, ยงแต่พระต้องสร้างแน่นะล่ะ แ, แต่พระเป็นรู้จะสร้างเมื่อไหร่ทาบุญน่ยเราก็นั่เอาไปทําบุญเกี่ยวกับวันครบรอบลําลึกถึงพ ร, ระคุณของท่า น, นแต่ถ้าไม่สร้างเราจะเอาอยัางไงเงินทั้งสี่ร้อยกว่าล้านนี่ร้อยกว่าล้านเราจะไปไว้ที่ไหน จะไปให้วัดอื่นก็ไม่ใช่เรื่องเพราะเขาทำบุญที่วัดป่าบ้านตาดเขาจะให้มันเกิดขึ้นที่วัดป่าบ้านตาดเพื่อจะสร้างพิพิธภัณฑ์ของเจดีวัดป่าบ้านตาดก็ต้องเกิดขึ้นที่นั่นแต่ดูๆแล้วก็มีหลายชั้นเชิงหลาย เ, ลเหลี่ยมหลายแง่ ม, มุม้าว่าคิดในแง่ ม, มุม แตไม่คิดในแง่มุมมากก็เป็นไปได้พร้อมเพียงสัมมาคีกันสร้างถวายองค์หลวงตาพอสร้างเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างตายแล้วหลวงพ่อก็อายุเจ็ดสิบกปีเลยจะอยู่นานไปจากเท่าไหร่เพราะนั้นจะมีอะไรมากมายนักหนาแต่คิดดูแล้วออนไหนมันจะจบจบให้มันจบจบไปด้านวัตถุเราจะไปหัวเด็ดตีนขาดกับด่างนวัตถุได้ขนาดร่างกายตัวเองก็จะทิ้งอีกสักวันหนึ่ง วัตถุอย่างอื่นเราจะไปจริงจังอะไรมากมายนักหนาอันไหนเกิดประโยชน์อันไหนเป็นบุญเป็นกุศลอันไหนเป็นมีคุณค่าเราต้องมองมันมีคุณค่าแล้วก็รีบๆทำให้มันจบๆไปช่วยๆกันทําอันไหนมันจะเป็นประโยชน์เป็นการเชิดชูบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีอุปกระคุณสําหรับเราตั้ง น, นาจะจบละลุงพ่อไม่ได้คิดอะไรมากนะลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปแล้วพอไดทันเลนะ